أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمره ونستعينه ونستخرج ت د ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن س ي ئ ا عمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما ي د ر ي ه فلا هارج له. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت ا ل آ خ ر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رديت، ولك الحمد بعد الرضا. و, الله و, له. له الأ و ่าชือ ل ่า ا ะอิล ل าห์อิ وحده لا شريك له إلله الأولين والآخرين واشهد أن نبينا م ح م د ا أبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق ل ي ُ ز ن رواه الدين كله ولو كان الكافرون ولقد أدى الأمانه وبلّق الرسالة وشاهد في الله حقهari ف ج ز ا ه الله أنى وعن أ م ت ه خير ما جازه النبيا عن أ م ت ه أ م ا ب ا ى สล l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ครับพี่น้องที่รักกลับมาพูดคุยกันในช่วงของคองสอัตถะที่บายอัลกุรอานเราพูดคุยกันในสุระบที่90สุระอัลบบลัดนะครับก็ขอทักทายกับพี่น้องที่ว่าผมยังไม่ทันจะได้อาปากเลยนะครับก็มีพี่น้องพิมพ์สลามมาก่อนกบบระบาลก็ลาฟีกุมทัน คุณหมออาสุธิรักนะครับผมสลามมาก็วายลุมสลามบารัมตุลลอ์วบรากาตุแล้วก็พี่สัน ม, มานะครับผมเฉียนกันนี่จะเฉียนกันเป็นหลักวินาทีนะครับสลามเต็มๆ ม, มาก็วายุมสลามามตุลลอ์วบรากาตุครับผมชี่นึกงยาสายนะครับก็จากชนะก็สลามมาก็วายุมสลามบามตุลลอ์วบรากาตุครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับในุระตุลเลอย่างที่เราพูดคุยกันมาจนถึงตอนนี้เราก็จะทราบว่าุรานี้พระองค์สุบฮานุฮวาตาลันั้นพระงได้เริ่มสุระด้วยกับ ความเมตตาของพระองค์ให้พวกเรารู้ถึงความเมตตาของพระองค์หลังจากที่ im, เรากล่าวบิสมิลลาฮิราะห์มิลลาหราะหิมละโอคซิมุบิฮัดเดลเบเลตพระองค์ได้พูดถึงว่าขอสาบานเกียกับเมืองมักกะซึ่งเป็นเมืองแห่งความเมตตาเป็นเมืองแห่งความบริสุทธิ์เป็นเมืองที่พวกว่านั้นให้สิ่งที่ดีงามแล้วก็บ้านอย่างแรกของพวกเราก็อยู่ที่มักกะนี่คือความ เมตตาความยิ่งใหญ่ของพระองค์ Allah แล้วพวกเราก็เมตตาให้ท่านบีให้ท่าบีนั้นมีอิสระในการทําอะไรในเมืองเมืองนี้แล้วพวกเราก็ได้พูดถึงความเมตตาของพระองค์ที่ให้กับบ่าวของพระองค์ทั้งทั้งที่เขาเป็นบ่าวที่ดื้อทั้งทั้งที่ว่าเป็นบ่าวที่ว่าอวดยโสเย่อยินกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แล้วก็ไปอวดโดยที่ไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์แต่ความเมตตาของพระองค์ Allah นั้นก็ยังมากมายมหาศาลที่ว่าให้โดยที่ว่าต่อให้เป็นบ่าวที่เนรคุณพระองค์ก็ยังมีความเมตตาให้เขา นั่นคือยักษ์นที่ว่าราบอว่า ว, วระมตวสิอาจุลและชและความเมตตาของข้านั้นปกคุมไปทั่วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นคนคู่ควรหรือคนที่ไม่คู่ควรความเมตตาของล้อนั้นก็มีปกคุมไปทั่วจนมาถึงอายานี้ครับจนถึงอายาที่สิบนี้ที่เราได้พูดคุยกันก็คือว ห, หาฮาไดนาหุนนัชดายน โอลัสอุปหาหนหูอตาและนักเกที่บอกถึงความเมตตาของพวกที่ว่าจะสร้างมนุษย์มาให้เขามีตาสองข้างให้เขามีลิมฝีปากแล้วก็ให้เขามีลิ้นโอลัสก็ได้บอกว่าแล้วเราก็ได้นําทางเขาสู่และเจเดนเนินทั้งสองซึ่งถ้าเรามองในความหมายที่ว่าเนินทั้งสองนี่คือเนินไปสู่ความดีแล้วเนินไปสู่ความชั่วแล้วก็จะรู้ว่านี่คือความเมตตาของโอลัสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกอย่างหนึง่งก็คือที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะเราคิดเองไม่ได้ ทำไมโะลท์ต้องให้เรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะว่าหนทางที่ไปสู่หนทางที่ถูกต้องเนี่ยครับก็คือหนทางที่เราอ่านอิสรอฟาแทสเป็นประจําว่าซิรอลต์มุสตากรีมอีเดียซิรอลต์มุสตากรีมซิรอลต์เลยดีนอัมการะอิหิมโอวีบาร์เราโปรดนําทางเราไปสู่หนทางที่มั่นคงหนทางที่มอบให้ความปลอดภัยเพราะอะไร เพราะสิ่งที่เราต้องการเราต้องการมากกว่าความเมตตาเราต้องการความรักจากผู้วลาสุบฮาเนหัวตาลเพราะใครก็ตามที่ผู้ว่ารักเขาแน่นอนคนที่รักกันไม่มีทางที่จะทําร้ายกันเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ผู้วลาสุบฮาเนหัวตาลาจะลงโทษเราในไฟนรกถ้าหากว่าผู้วลารักเราเพราะนั้นสิ่งที่มุสลิมเราต้องการมากไปกว่าความเมตตาที่พผู้ว่ามีให้กับทุกสรรพสิ่งเราต้องการเป็นที่รักของอัลลอฮฺ และนั่นแหละคือเป้าหมายที่เราถูกสร้างมาเหมือนกับที่องค์ละซูบฮ์นูอิตายได้กล่าวไว้ครับว่ามากราจินชินในอิลวิลนซีลาลยียบุดุลเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้เขาทําตัวให้อัลลอฮ์รักนอกจากที่เขาทําตัวให้อัลลอฮ์พอใจเพราะเป้าหมายหลักของเราความเมตตาอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วอัลลอฮ์มานให้ความเมตตาโดยที่ไม่เลือกอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์เราต้องตามแนวทางที่ถูกต้องของพระ อ, องค์ เพราะฉะนั้นรตมุสกิมหนทางที่มั่นคงนี้คือหนทางที่จะทําให้เรานั้นได้ความรักตลอดการของพวกลัทธิบาห์นหุบตาละเพราะเมื่อพวกเรารักใครพวกเราก็จะรักเขาความรักของพวกเรานั้นจะเป็นความรักที่อมตะอย่างแท้จริงคือไม่มีวันที่จะเสื่อมสลายทีนี้ครับก็จะเกิดคําถามกับพวกเราหลายๆคนเกิดคําถามกับพวกเราหลายๆคนว่ามีหลายท่านทั่ว่ า, างคับก็มาถาม มาถามบอกว่าอาจารย์และฉันจะรู้ได้ยังไงว่าตอนเนี่ยอลลัสรักฉันอยู่หรือเปล่าบางทีเราอาจจะถูกอลลัสรอสอบเนี่ยอาจารย์ทำไมฉันก็ไม่สบายเนี่ยอาจารย์เนี่ยคนนั้นเป็นคนดีเหลือเกินเนี่ยทำไมเขาไม่สบายเขาเป็นอามาพึกอามาพาดหรือว่าอาจารย์ทำไมคนนั้นน่ยดูเป็นคนชั่วคนเลวเขาไม่เคยละหมาดเขาไม่อะไรเลยแต่ทําไมชีวิตเขามีความสุขเขาจัดงานยิ่งใหญ่อลังการเขาจัดงานที่เป็นชิลิเขาก็ยังมีความสุขคนนี้น่นาถีตา อัลลอฮ์รักเขาใช่ไหมอาจารย์หรืออัลลอฮ์ไม่รักฉันใช่ไหมอาจารย์หรือว่าคำถามประมาณนี้ที่ว่าบางครั้งครับในหัวใจของมุสลิมในหัวใจของผู้ศรัทธาเราก็อยากรู้เหลือเกินว่าเราอยู่ในสถานะใด สำหรับพระมลสุบฮานะฮูาวาตา阿拉เอาล่ะรักเราไหมเอัล่ะลงโทษเราไหมเอาล่ะไม่พอใจเราไหมหรือว่าอะไรเป็นไงอินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้ครับสืบเนื่องจากอยายะนี้นะครับที่ว่าวาฮัยเดยนาฮุเ น, นชเดย์เราได้นําทางเขาสู่เนินทั้ง2องเนินเนินที่นําไปสู่ความถูกต้องสิ่งที่ดีงามที่อัลลอฮ์รักแล้วก็เนินที่นําไปสู่สิ่งที่อัลลอฮ์รังเกียจดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์รักเราวันนี้เรามาพูดคุยกันครับมีอยู่ทั้งหมด9สัญญาณ กสัญญาณครับพี่น้องที่ว่าเรารวบรวมประมวลมาจากอัลกุรอานกับจากฮะดีษแล้วเราพบว่าอย่างน้อยมี9้าสัญญาณที่แสดงให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์รักเราอยู่บางท่านครับเรามาตรวจสอบตัวเราเองบางท่านอาจจะพบว่าฉันมีหนึ่งสัญญาณบางท่านมีสองสัญญาณบางท่านอาจจะมีมากกว่าหนึ่งบางท่านอาจจะพบว่าข้อนี้อ่าแปลว่า right. all right. all right. อัลอรักฉันข้อนี้ด้วยอัลลอฮ์รักฉันข้อนี้ด้วยอัลลอฮ์รักฉันข้อนี้ด้วย อาจจะมีมากกว่าหนึ่งอัลฮัมดุลิลคะครับเพราะวาความรักของพระลอ้นั้นก็มีหลายระดับขั้นความรักของพระลอสุบฮานัวตานั้นก็มีหลายระดับขั้นกับผู้ศรัทธาคนที่ว่าประพฤติสิ่งที่ดีงามอัลลอฮ์รักเขาแต่คนที่ประพฤติสิ่งที่ดีงามแล้วก็ได้ตาชีดผู้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ย่อมรักเขามากกว่าแล้วก็เช่นเดียวกันคนที่ว่าตาชีด เพื่ออัลลอฮ์แล้วเขาถึงขัน้นอสัสซิดีคเป็นคนที่มีความศักดิจริงอย่างแท้จริงระดับความรักที่แล้วมีต่อเขาก็มีเหนือกว่าทุกคนแล้วแน่นอนครับระดับบรรดานับีอัลลอฮ์ก็รักเหนืกนอกว่าอสซิดีคแล้วก็บรรดารสุลอัลลอฮ์ก็รักมากกว่าบรรดานาบับีแล้วก็อูุลอัสมีอัลลอฮ์ก็รักเหนือ ก, กว่าบรรดารุลลลทั้งหมดแล้วก็บุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตาต้าและรักมากที่สุดในโลกก็คือท่านเบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮ ก็แปลว่าความรักของพวกเราโน้นก็มีหลายระดับขั้นเช่นเดียวกับสวรรค์ที่ว่าพวกเราบอกว่ามีระดับอย่างมากมายอัลลอฮ์รักเราระดับไหนเราก็มาดูว่าในเก้าข้อที่กําลังจะพูดคุยกันเนี่ยครับมีเราอยู่กี่ข้อบางท่านอาจจะบอกว่าฉันอาจจะมีครบเลยเก้าข้อก็อัจทำได้ดีแล้วย่างน้อยที่สุดครับขอให้มีสักข้ออย่างน้อยที่สุดนะพี่น้องนะขอให้มีสักข้ออย่าถึงขั้นว่าไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยนี่ต้องตรวจสอบตัวเองแล้ว ทำไมเนี่ยที่นบีเท่เาเลาะบอกมีประมาณ9้าอย่างเป็นอย่างน้อยเนี่ยที่แสดงว่าเลาะรักทำไมมันเนึ่งมีกับฉันเลยถ้าไม่มีนี่แปลว่าอยู่ในสภาพวิกฤตแล้วเอาเลาะท่นั้นที่รู้เอาเลาะทนั้นที่รู้ว่าสถานะนั้นจะเป็นอย่างไร ครับขอทักทายพี่น้องก่อนที่เราจะลุยไปยาวเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องเริ่มสลามเข้ามานะครับผมไม่อยากลุยโดยที่ไม่ได้ทักทายพี่น้องที่รักนะครับพี่วันนี้นะครับสุดเลยอีกท่านหนึ่งสลามมาก็ไว้คุณสลามอัลตุลลอฮฺวะบรารอกาตุบอก ว, ว, ว่าทำเลยละภาพเสียงชัดเจนก็ต้องขอบรญอรัลลอฮฺทำเลยละครับผมคุณซาด้าเยินทุนก็สลามมาเต็มเตมเหมือนเดิมก็ไ ว, ว้คุณสลามวะอัลตุลลอฮฺวะบาราอกาตุุครับผม ก็พี่ซันมาเซลนะครับว่าเสื้อกับหมวกมีติดไฟกระพริบด้วยเอมันเป็นที่โปรแกรมนะครับผมผมก็รู้จะทํำยังไงแล้วนะครับผมคุณรักษณาวิชาการนะครับก็สลามเต็มๆมาก็ไวรุลกลมสลามวารองตุ ล, ล้อวรารบารกาตุนะครับผมขอดูอีกที่นึงนะครับผมคุณยาสายสลามแล้วคุณยากรุนะครับอัศลา ม, า ม, ามลกุ้งก็ไวรุกมสลามวารองตุล้อวารบารกาตุคุณสัตยานี่เมโร สลามมาครับจากอำเภอสบ้ายอยวัดคุณสลามอัลตลอฮฺอลบรากาตูยินดีต้อนรับครับผมคุณสายันครับอามินมาแล้วก็อาเพื่อนรับผมนะครับอาจารย์ดึงการีนนะครับสลามมาครับวัดคุสลามอัลตลอฮอัลบรากาตนี่จากหนองบนะครับผมแล้วก็คุณบาบอผมเรียกว่าบาบอลกันนะครับบอกว่ารีลันครับชัดเอ๊ะรีลันเอ๊ะอันนี้ถ่ายสดนะครับไม่ใช่ดีลันคุณลุงอนุนสลามมาครับก็ว่ดคุสลามวัลตุลอฮอรากาตครับผมโอเคผมอาจจะไม่ได้ทักใครแล้วนะ ตอนจบเราคุยกันอีกทีอินชาอัลลอฮ์ครับผมโอเคพี่น้องครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์รักฉันก้าสัญญาณที่อยากจะพูดครับผมนะคุณกุมุลสลามะอาวยกุมสลามะตววุลอับบะกาทุกครับผมก้าวสัญญาณครับที่จะทําให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักคนอยู่ครับสัญญาณที่หนึ่งครับผมเมื่อไรก็ตามที่ว่าผู้รอดสุบฮานูอัตตาลาให้ครอบครัวเรานั้นมีความอ่อนโยนแก่กันและกันนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์รักเราแล้ว ใน h a ด i s ครับท่านนาบีมุสลิาสามได้พูดไว้อยู่ใน บ, บนันทึกนี้ครับจะใ ส, ส่สจามี hadis นี้เป็น hadis ส, สาเท่านนาบีบอกว่าอินัลลอฮะไอดะอาฮบะอเฮลเบยตินอแดกละ عليهم الرفق เมื่อพระองค์ س ب ح ุบ ه าละุ์ุวะตาลารักใครพระองค์จะให้มีความอ่อนโยนในครอบครัวของเขาเมื่อพระอ์รักครอบครัวครอบครั ว, วดใด h a d i นี้พูดไม่ได้พูดถึงแค่คนคนเดียวแต่พูดถึงภาพรวม เพรอย่างที่เราพูดคุยกันเป็นประจำเขาว่าครอบครัวคือคนที่มาเติมเต็มกันเพร น, นลิสต์บบนี้ครับท่านอับดุลเบาะสลาซมบอกว่าไงนะครับเมื่อพวกลอร์รักครอบครัวใดรักแล้วรักครอบครัวใดพวกลอร์จะให้มีความอ่อนโยนในระหว่างพวกเขาพี่น้องเคยสังเกตไหมครับผมมั่นใจว่าพี่น้องต้องเคยเจอแหละครอบครัวที่แบบเป็นครอบครัวตัวอย่างที่พอเราดูปุ๊บอัลฮัมดี๋ยวเราเอาลอร์ให้เขานะคนเป็นสามีก็พูดกับภรรยาพูดดีๆ ภรยาเขาพูดกับสามีดีๆลูกๆเวลาพูดกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็พูดดีๆพี่น้องที่รักหากว่าครอบครัวของพี่น้องเป็นครอบครัวที่ว่ามีอะไรก็พูดกันดีๆมีอะไรก็คอยให้ความช่วยเหลือกันมีอะไรก็ให้อภัยกันหนักนิดเบาหน่อยก็ไม่ถือสาหาเรื่องกันปรากฏแสดงเห็นว่าครอบครัวของพี่น้องเป็นครอบครัวที่พวลเราลสุบะฮานหัวตารักแล้วครับผมขอเสดงความยิดีด้วย เป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าอัลลอฮ์รักพี่น้องแล้วอันนี้คือในกรณีที่เงื่อนไขข้อแรกต้องผ่านก็คือต้องเป็นมุสลิมต้องเป็นผู้ศรัทธาเพราบางทีเวลาจะบอกว่าทําไมครอบครัวแกรฟิดเราก็เห็นที่แบบว่าคุยกันดีอะไรอยู่กันดีอันนั้นคืออัลลอฮ์เป็นความเมตตาให้กับเขาแต่ถ้าจะเป็นความรักต้องเป็นผู้ศรัทธาแล้วเป็นครอบครัวผู้ศรัทธาที่พูดกันดีด ที่ไม่ใช่ว่าถึงเวลาปุ๊บสามีโกรธมา ก, ก็ด่าภรรยาหรือว่าโกรธลูกก็าด่าลูกหรือว่าแมกก่ก็ด่ากาดเวลาลมไม่ดีเวลาลม ด, ลาลดีก็พูดภาษาออกไมาไม่ใช่ครับอาริฟอาริฟนีภาษาหลับที่แปลว่าความอ่อนโยนนะครับนักวิชาการให้ความหมายว่าคำว่าละยินนชิบิลกาวบัลฟียก็คือการมีความอ่อนโยนทั้งในคําพูดแล้วก็การการะทําไม่มีการลงมืงลงไม้ไม่มีการตกดีวลอัคตูบิลอัซฮัลวลเดฟบิลอัค ถึงเวลาจะบังคับก็บังคับแบบให้เบาที่สุดน้อยที่สุดถึงเวลาจะตอบโต้ก็ตอบโต้ด้ยวยกับรูปแบบที่เบาที่สุดอันนี้เรียกว่าอ่อนโยนอันนี้ที่เรียกภาษาละว่าริฟกุนคือถึงเวลาถ้าเกิดว่าเรามีสิทธิ์จะว่าเขาได้จะตีเขาได้จะทาร้ายเขาได้เราก็เลียกรูปแบบที่เบาที่สุดอันนี้เรียกว่าริฟกุน เรียกว่าริฟกุนแล้วถึงเวลาเราจะบังคับเขาให้เขาทําอะไรสักอย่างแล้วก็เลือกบังคับในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเบาที่สุดอันนี้เรียกว่าริฟกุลเพราะงั้นอย่างที่บอกครับพี่น้องอาจจะบอกว่าช่างหายากเลยเกินครอบครัวที่ว่าพึ่งเอารอรักทั้งครอบครัวเช่นนี้อาจจะหายากครับผมแต่ในฮะดิษวันนี้คือพูดว่าถ้าครอบครัวใดเป็นแบบนี้เอารอรักเลย แต่พี่น้องไม่ต้องห่วบางคนบอกว่าอัลลอฮ์ทดสอบผมอัลลอฮ์ทดสอบฉันคู่ครองของฉันะเป็นคนที่ไม่ดีแต่ฉันก็พยายามอดทนกับเขาพี่น้องที่รักครับถ้าไม่ใช่ทั้งครอบครัวอย่างน้อยที่สุดถ้าตัวของเราเองมีความอ่อนโยนกับคนในครอบครัวของเรามากที่สุดก็ถือว่าอัลลอฮ์รักพี่น้องเช่นเดียวกันแปลว่าอะไรคือประศักดใหญ่ที่สุดของเราครับ อุปสรรคใหญ่ที่สุดของเราที่จะทําให้อลลาอร์ไม่รักเราก็คือเวลาเราโกรธแล้วเราไม่ควบคุมอารมณ์นะครับพี่น้องเวลาถ้าพี่น้องโกรธใช่ไหมแล้วพี่น้องไม่ควบคุมอารมณ์ตนแล้วพี่น้องไปด่าไปว่าข้อนี้ตกเลยนะแปลว่าพวกลอร์ไม่ได้รักพี่น้องด้วยกับคุณลักษณะนี้แล้วพี่น้องก็ต้องไปดูข้ออื่นคือมีทางเลือกสองอย่างอย่างแรกคือต้องไปดูข้ออื่นเผื่อพวกลอร์จะรักพี่น้องข้ออื่นหรือเราต้องพัฒนาตัวเองมุสีนี่คนพัฒนาตัวเองได้ครับ บางคนอาจะบอกว่ายาวล้อที่ผ่านมาเนี่ยฉันหยาบคายกับครอบครัวของฉันยาวล้อที่ผ่านมาเวลาฉันเลือดขึ้นหน้าเนี่ยฉันมีการลงมือลงไม้ยาวล้อฉันผิดไปแล้วยาวล้อรักฉันด้วยพี่น้องที่รักครับมาลำอยู่ ก, กับรถจับใดก็ตามที่ลมหายใจยังไม่ถึงลูกจะเดือกพี่น้องสามารถเป็นคนอ่อนโยนคนนี้ที่อัลลอฮ์รักได้อย่าคิดว่ามันไม่หันมันไม่มีคําว่าสายทุกคนมีโอกาสครับพี่น้องครับในเรื่องของคําว่าความอ่อนโยนเนี่ย ท่านอับดุลเบบี ا إ ا إ า ม, ามัสลิมสัมเด็จบอกว่วว า, าอยมีคนิวามลายขนินริ้วขวะนม่คมอ่นีิตขอมนุยุนทจััดีว่าความอ่อนโยนจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในสิ่งใดนอกจากความอ่อนโยนจะทาให้สิ่งนั้นงดงามนอกจากว่าความอ่อนโยนจะทำให้สิ่งนั้ น, นงดงาม อ่อนโยนในการพูดกับผู้คนอ่อนโยนในการมีพฤติกรรมกับผู้คนอ่อนโยนในการให้ความช่วยเหลืออ่อนโยนในการทำค้าขายอ่อนโยนในการสอนอ่อนโยนในการเรียนอองคนอ่อนโยนในการคบค้าสมาคมท่านนบีมุสลิมซามบอกว่าความอ่อนโยนนี้ไม่ได้อยู่ในสิ่งใดนอกจากจะทำให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่งดงามมีบารัคะแล้วก็เช่นเดียวกันครับท่านนบีพูดมุมกับกับกัน แล้วอะไรก็ตามที่ถูกดึงใครก็ตามที่ถูกดึงเอาความอ่อนโยนออกไปจากใจเขาออกไปจากตัวเขาออกไปจากคมพูดของเขาท่านอบบีบอกว่ามันไม่ได้เพิ่มอะไรนอกจากความบกพร่องในตัวของเขาพี่น้องลองสังเกตดูครับถ้าเกิดเวลาพูดก็พูดแต่คำหยาบมีแต่คำสะบัเวลาฟังอลัลลอ์ไม่รักครับนี่จากที่ท่านบุีมอสลลอฮ์ของอัสซาลัมพูดนะครับผมอินน uh ัลลอฮ์ฮะ يحب الرفق في في ا ل น, นเรื่องขอบุคคลีครับท่านนบีมศสลายสัมบูรณ์อัลลอฮ์นั้นรักความอ่อนโยนในทุกๆเรื่องสุบานอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักความอ่อนโยนในทุกๆเรื่องเพราะนั้นพี่น้องเราได้ฟังกลุ่มแรกแล้ที่อัลลอฮ์รักเราทุกคนสามารถเป็นเขาได้เราทุกคนสามารถเป็นเขาได้ามา ไ, ดไม่เกี่ยวว่าอาดีตที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรที่สําคัญคือนับจากปัจจุบันต่อไปพี่น้องจะเป็นอย่างไร ถ้าใครที่แบบอ่อนโยนอยู่แล้วอัลฮัมตูดีละครอบครัวไหนที่อ่อนโยนอยู่แล้วอัลฮัมตูดีละพยายามรักษาต่อไปให้ถึงบั้นปลายชีวิตสอบผ่านแล้วอัลลอ์รักแต่ถ้าใครยังทำไม่ได้อย่างที่บอกครับเรามาช่วยกันค่อยๆพัฒนาตัวเองแล้วก็ดีไปพร้อมๆกันในเรื่อยขอามในหนังสืออัชาเมียเช่นเดียวกันครับท่านนบีมสุสลิมสบอกว่ามันยุฮรมอัริฟกยุฮมรคุล และหูขอมครับใครก็ตามที่ไม่มีความอ่อนโยนถูกห้ามจากการมีความอ่อนโยนใครก็ตามถูกห้ามจากการที่จะมีความอ่อนโยนเขาถูกห้ามจากความดีงามทั้งหลายแล้วในที่ใช้คําว่าทั้งหมดเลยแปลว่าไม่มีทางที่จะได้ความดีงามจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮะนุวะจ่าอะไรแล้วมันเป็นที่เราต้องตรวจสอบตัวเองนะครับพี่น้อง ท่านอะบูท่านอะท่านซุฟยา r อะซาลีครับได้พูดไว้ได้ a ธิบายไว้เกี่ยวกับเรื่องของคำว่าความอ่อนโยนพี่น้องครับหลายครั้งที่ว่าบางทีเราแยกไม่ออกระหว่างความอ่อนโยนกับความอ่อนแอมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันบางคนเข้าใจบอกว่าถ้าฉันอ่อนโยนมันก็เป็นความอ่อนแอสิเหมือนกับที่มีมนาฟิกหาท่านบีมีมูนาฟิกมหาท่านบีโยสเลสามแล้วก็เห็นทนบีเนี่ยอุ้มหลานแล้วก็หอมแก้มหลานมนาฟิกพูดแบบูถูกอะบีบอกว่าคุณทอะไรหอมแก้มล ฉันเนี่ยมีลูกชายอยู่สิบคนฉันไม่เคยหอมใครสักคนเลยเพราะเขามองว่าอะไรครับความอ่อนโยนนี้ที่ว่าคนเป็นผู้ชายยิงลูกมาสวมกอดเขามองไปเป็นความอ่อนแอแต่ท่านอับดุลเบี๊ยมอสราซานบอกว่าไงครับใครไม่รู้จักเมตตาเขาจะไม่ได้รับความเมตตาท่านอบีพูดตรงๆชัดเจนมันแสดงถึงความเข้มแข็งสัจธรรมพูดตรงๆแสดงให้เรารู้ว่าความอ่อนโยนกับความอ่อนแอมันแยกกัน ท่านซูฟยนซาวรีครับบอกว่าคุณรู้ไหมว่าอะไรคือความอ่อนโยนอันนี้ตอนที่ท่านสอนลูกศิษย์ลุกหาของท่านท่านซูฟยานซาวรี่เขาบอกว่าความอ่อนโยนครับคือการที่คุณนั้นทำทุกอย่างในที่ที่ควรจะทำอ่อนในที่ที่ควรจะอ่อนแข็งในที่ที่ควรจะแข็งใช้ดาบในที่ที่จำเป็นจะต้องใช้ดาบใช้ไม้แทะในที่ที่จำเป็นจะต้องใช้ไม้แทประเด็นสาคัญอยู่ตรงนี้ครับในที่ของมัน บางค น, นจะบอกอ่อานี้ยสบา ย, ยาฉันก็ตบตีภรรยาได้เหมือนเดิมอย่าลืมครับใช้ในที่หมายความว่ามันต้องไม่ใช่ความหยาบกระด้างมันต้องไม่ใช่เกิดมาจากความโกรธเกลียดเหมือนกับว่าถ้าจะสอนเวลาจะสอนก็ต้องพูดโดยมีพื้นฐานอย่างที่บอกครับเลือกคําพูดที่ดีที่สุดแล้วบางทีอาจจะต้องใช้รูปแบบที่แข็งก้าแต่รูปแบบที่แข็งก้าวมันต้องไม่ได้มาจากการที่พื้นฐานตัวตนของเราแล้วเป็นคนที่หยาบกระด้าง มันต้องไม่ใช่มาจากพื้นฐานที่ว่าตัวตนของเรานั้นเป็นคนที่อยากกระด้างพวกเรากล่าใในกุญานชัดเจนครับยาอิยูพันเลดีนอามันูมัยย์รตัดดามิ่งุมอันดีนีฮีฟาซาฟัยติลลาฮูบิข้ามินยูฮิบบุฮัมวายูฮิบบุนหูโอ้ว้าวสุดพะหูว่าตาลาบอกไว้ครับว่าสัทธาชนทั้งหลายใครในหมู่พวกเจ้าที่จะกลับหันหลังกลับไปเป็นผู้ไปเสียศรัทธาใครก็ตามเลือกที่จะหันกลับไปพวกเราบอกว่าไงครับใครจะกลับก็กลับไป ผู้อัลลอก็จะเอากลุ่มชนที่ดีกว่าพวกจเจ้ามาแทนที่กลุ่มชนที่อัลลอ์ก็รักเขาแล้วพวกเขาก็รักเขาอัลลอ์ที่ายคุณลักษณะไว้ครับว่ากลุ่มชนที่อัลลอ์รักเขาเขาก็รักพวกงเป็นยังไงอัลล์บอกนี่ครับอัินละตินอัลลมุ่มินีน่าอิจจัตินอลล์าฟิรินดู شاهدون في ف ล سبيل ا ل า ه ولا يخافون لو متلايم อัลลอฮ์บอกไว้ครับสี่คุณลักษณะของคนที่มีความอ่อนโยนที่ว่านี้ นี่คือความหมายของคำว่าอ่อนโยนที่ไม่ใช่อ่อนแออันแรกคืออะไรครับเป็นผู้ที่ทำทาตัวเนี่ยให้ดูต้ต่ำเวลาที่อยู่กับผู้ศรัทธาด้วยกันทำตัวให้ตัวเล็กทำตัวให้ตัวเล็กเพาะอะไรครับพี่น้องคนตัวเล็กเนี่ยประตูไหนก็เข้าได้ประตูใหญ่ก็เข้าได้ประตูเล็กก็เข้าได้แต่ถ้าเกิดเราทำตัวใหญ่ๆชั้นกลางชัดอลังการประตูใหญ่เข้าได้แต่ประตูเล็กเข้าไม่ได้ตัวรอเลครับ อาซินและตินอาเลนูมีนีนอยู่กับผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะทำตัวต่ำต้อยให้ความช่วยเหลือจะไม่ยกตนข่มท่านจะไม่ด่าว่าจะไม่พูดจาหยาบคายนี่กับพี่น้องมุสลิมอาอิสเติลอาเลนแคลฟีนอาอิสอาเลนแคลฟีนแปลว่าอะไรครับแต่ว่าเขานั้นจะมีเกียรติยศเมื่อเขาอยู่กับบรรดาผู้ไปเสียศรัทธา คือทําตัวให้รู้ว่าเขามีจุดยืนที่มั่นคงมีคําพูดที่ชัดเจนเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริงอยู่แต่หน้าผู้ไปเสดสธาก็เป็นคนที่สื่อสารเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่ไม่ใช่หยาบกระด้างสังคมปัจจุบันเรามักจะสลับกันระหว่างหยาบกระด้างกับเข้มแข็งบะหลายครั้งเลยที่รบการหยาบกระด้างมันคือความเข้มแข็งไม่ใช่เข้มแข็งก็คือเข้มแข็งเอาแบบนบีมาเราจะรู้ว่าเข้มแข็งแปลว่าอะไรแล้วอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแอ บางคนบอกเจอคนพูดเพราะเพะเจอคนพูดหวานๆอันี้มันอ่อนแอไม่ใช่อันนั้นเป็นความคิดความเข้าใจผิดอ่ อ, อนโยนกับอ่อนแอนั้นไม่เหมือนกันะะเพราะเราบอกว่าสีอย่างใช่ไหมแรกคืออะไรนะอยู่กับผู้ศรัทธาด้วยการคายธรรมตัวต่ําต้อยเวลาอยู่กับผู้เปรตศรัทธาเขาก็จะทําเป็นผู้ที่มีเกียรติยูเจฮิรูเนฟีเซบีลินเลเขา n พร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละเพื่อวิทางของรับจะด้วยทรัพย์สินจะด้วยชีวิตจะด้วยอะไรก็ตามแต่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อเรา เวลายาคอฟูนาเลอมัตตาลาเอมนี่คุณคุณลักษณะข้อที่สี่ของคนที่มีความอ่อนโยนคนที่มีความอ่อนโยนที่แท้จริงคือคนที่จะไม่เกรงกลัวคําคารหานินทาติฉินใดๆทั้งสิ้นนี่แหละครับคือคนอ่อนโยนที่เป็นผู้ที่เข้มแข็งคือถ้าเรามั่นใจว่าเราสิ่งที่เราทํานั้นถูกคือสิ่งที่เลาสั่งใช้เป็นแบบอย่างมาจากท่านอับดุลเบบีมอลส์เลองเอาไปไวเซเลมต่อให้คนทั้งโลกจะไม่เข้าใจเรา แล้วทำไมล่ะแล้วก็มีจุดยืนอย่างมั่นคงแล้วก็มั่นใจในตัวตนของเราแล้วก็มั่นใจในความเป็นมิสติมของเราต่อให้คนทั้งโลกจะชี้ว่าเราผิดเราบอกว่าข u าบุนย์อัลลอฮ์วันเนี้ยมาลวกินเราก็สามารถพูดคุยกับเขาด้วยดีเราก็สามารถมีมารยาทกับเขาได้ด้วยดีในขณะที่เรานั้นก็มีความมั่นคงดุดหินผาที่ว่าไม่มีทางที่จะสัน่นคลอนนี่คือความอ่อนโยน คือผมอยากให้มุสลิมเราเข้าใจความหมายของคาว่าความอ่อนโยนแบบท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัมนั่นคือสิ่งงดงามที่พอัลลอฮ์รับรองว่านั่นแหละคือกลุ่มชนที่อัลลอฮ์รักเขาประเด็นข้อหนึ่งถือว่าผ่านนะครับผมถือว่าผ่านเนะาะหากอยากรู้ว่าอัลลอฮ์รักฉันไหมให้ดูว่าฉันเป็นคนที่มีความอ่อนโยนไหม ถ้าอยากรู้ว่าอัลลอฮ์รักครอบครัวของฉันไหมให้ดูว่าในครอบครัวของฉันเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีความอ่อนโยนให้กันและกันใช่ไหมคอยลุกุมงคอยลูกุมงดีอะฮ์ลิฮีวะอานาคอยลูกกุ้งดีอะฮีท่านอับดุลเบี๋มัสลลัมบอกว่าไงครับคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านคือคนที่ดีที่สุดกับคนในครอบครัวของเขาอ่อนโยนที่สุดกับคนในครอบครัวในโลกนี้ไม่มีใครอีกแล้วที่เขาจ่ อ, อนโยนเท่ากับที่เขามีให้กับครอบครัว จะเป็นผู้หญิงแปลกหน้าจะเป็นผู้ชายแปลกหน้าจะเป็นคนแปลกหน้าจะเป็นแจ็คคนในคนมาจากไหนก็ตามไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่เป็นมนุษย์นะไม่มีใครอีกแล้วที่เขาจะอ่อนโยนมากไปกว่าสมาชิกในครอบครัวนี่คือครอบครัวที่อัลลอฮ์รักและนี่คือคนที่อัลลอฮ์รักเรารู้ถึงคนที่หนึ่งละต่อไปครับ หากอยากรู้ว่าอัลลอฮ์รักฉันไหมถ้าข้อหนึ่งใครมีอัลฮามเดและใครไม่มีเราพยายามแล้วเรามาดูข้อสองต่อข้อสองครับเมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะทําอะไรสักอย่างที่มันเป็นโลกเร่องของโลกดุนยาที่มันเป็นความสวยงามในโลกของดุนยาแต่เราทํามันไม่ได้เมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่อัลลอฮ์ป้องกันพี่น้องไม่ให้ทําสิ่งที่เป็นฟิตนะขอให้รู้เลยว่าอัลลอฮ์รักพี่น้อง ล l l a h รักพวกเราอยู่นบีขุนเถระบุษยอัลขุดดีครับท่านนบีมสร์ละลัยสันเดกับว่าอินนัลลอฮะลาญฮ์มีอู้ดู้ผูตมู้ผู้ผู้ผู้ผู้ะู้ผู้ผู้ผู้ผูีผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผล้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผูลผู้ผู้ีู้ผส้ผู้ผู้ผู้ผูนผ้ผู้ผู้้ บ่าวที่พระ อ, องค์รักสำนวนชัดเจนอัลลอฮ์นั้นพระ อ, องค์จะปกป้องบ่าวที่พระ อ, องค์รักให้รอดพ้นจากฟิตรณะของโลกดุนยาให้รอดพ้นจากความวุ่นวายของโลกดุนยาฟิตรณะอะไรก็ตามที่เป็นฟิตรณะที่พวกเรเก่าในก็รานทาไมถึงป้องกันไม่ได้ละ่ะอะไรไป ฟิตรณะบ้างครับที่ว่ากล่าวนี้ยก็รันสับศีลผู้ล้อบอกก็เป็นฟิตรณะลูกหลานก็เป็นฟิตนะครอบครัวก็เป็นฟิตนะคําว่าฟิตนณะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่คําว่าฟิตนณะหมายความว่าเป็นสิ่งที่สามารถส่งผลกระทบกับอิมรันของเราได้คือสิ่งที่สวยงามในดุนยาที่อาจจะทําให้เราเสียคนได้แล้วก็อาจจะทําให้เราเป็นผู้ศรัท ธ, ธาได้อันนี้เราเรียกว่าฟิตราะเวลาลูกหลานก็คือฟิตนะคู่ครองก็คือฟิตนณะรัพย์สินก็คือฟิตนณะ หมายขอาว่าบางครั้งพี่น้องบางทีเราอาจจะอยากแต่งงานกับคนนี้มากๆแต่พวกเราไม่ให้เราได้แต่งกับเขาหรือบางทีเรารู้สึกว่างานเนี่ยเราอยากจะทํามากๆแต่มันไม่ได้ทําหรือบางทีบางคนหนักกว่านั้นอยากทําสิ่งที่ฮารอมแต่เขาทําไม่ได้อาจจะอยากทําซีนาวางแผนไว้ดีแล้วแต่ผลสุดท้ายไม่ได้ทําอาจจะอยากไปดื่มเล้า ว, วันนี้ตั้งใจว่าจะไปเที่ยวผับไปดื่มเหล้าแต่ไม่ได้ดื่ม หรืออาจจะอยากทําความชั่วอะไรก็ตามแล้วไม่ได้ทําขอให้ดูว่าอัลลอฮ์รักเราแล้ ว, พ เ, ว, บบวเพราะท่านรบียวสุลต์สลัมบอกว่าเพาะล้อนั้นจะปกป้องบ่าวให้รอดพ้นจากฟิตรณะของดุ n y าบ่าวที่อัลลอฮ์รักเหมือนกับที่พวกท่านปกป้องผู้ป่วยของพวกท่านให้รอดพ้นจากอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายกับเขาเ ah. พราะบางท น, นอาสงสัยว่าถ้าฟิตรณะมันดีทําไมอัลลอฮ์ไม่ให้มาเลยล่ะพี่น้องเรา ชนบีเปรียบเทียบกับอะไรครับเปรียบเทียบกับคนป่วยเวลาเรามีคนป่วยเอาไปหาหมอมาบอกคนนี้นะเป็นโรคเบาหวานนะต้องลดน้ําตาลถึงเวลาเราเสิร์ฟอาหารให้เขาถ้าเขาเป็นคนที่เรารับเราก็ต้องเลือกเสิร์ฟอาหารที่ดีถูกไหมครับเป็นอาหารเป็นผักเป็นอาหารที่แบบว่าเป็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเขาเราก็จะป้องกันอาหารที่มันจะเป็นโทษกับเขา เช่นเดียวกันเลยครับท่านนบีเปรียดที่บอกว่าเหมือนกันเลยเหมือนกับที่ว่าเวลาคนรักใครสักคนที่เขาเป็นผู้ป่วยคุณจะต้องคัดเลือกอาหารให้กับเขาเลือกแต่อาหารที่ปลอดภัยพอรัสุบะฮานหัวซาลาก็เช่นเดียวกันเมื่อพระองค์รักใครองค์ก็จะปกป้องเขาให้รอดพ้นจากฟิตนะที่จะเป็นอันตรายกับเขาพี่น้องที่รักพี่น้องสบายใจได้เลยบางท่านครับบอกว่าฉันแต่งงานมาตั้งนานแล้วอาจารย์ทำไมเราไม่ใลกูกฉันสักที แปลว่าการได้ลูกนั้นเป็นฟิตรณะสำหรับพี่น้องพวกเราก็เลยป้องกันไม่ให้เราเจอฟิตรณะที่จะทําให้เราเสียคนอันนี้คือสิ่งที่นิซิมเรามองเราจะไม่มองว่าเราพลาดอะไรไปเพราะพี่น้องอย่าลืมนะอย่าลืมเด็ดขาดนะไฮ ร, ริสิกวันหนึ่งท่านอับดุลโมสลลลฮ์ซัดลบอกว่าคําพูดของอัลลอฮ์ยกคําพูดของอัลลอฮ์ฮะดิษครุสีว่าพวกอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสง่สงผู้ทรงยิ่งใหญ่พวกเราพูดว่าข้านั้นจะเป็นตามที่บ่าวของข้ามองข้า เขาจงมองค่าตามที่เขาต้องการถ้าเขามองว่าค่ารังแกข่าก็จะรังแกเขาถ้าเขามองว่าค่าเมตตาค่าก็จะเมตตาเขาเพราะนั้นพี่น้องที่รักเวลาที่เราพลาดอะไรก็ตามที่มันเป็นดุลยยาที่มันเป็นพิตนาได้ขอบคุณเราล่อเลยโดยเฉพาะคนที่อยากทําสิ่งที่ฮารอมแล้วทําไม่ได้ต้องขอบคุณเราล่อเยอะๆเลยมีวัยรุ่นหลายคนครับบางทีแบบว่าอยากคาซีนามากๆากเลยพยายามจี่พยายามเต็มที่แล้วผลสุดท้ายอัไรทำนี่แล้วเราปกป้องแม่คำซีนา ไอช่วงแรกอาจจะรู้สึกเสียดายสิจะห้งอาจจะได้ทําทำไมฉันถึงพลาดฉันไม่น่าจะพลาดเลยแต่พี่น้องที่รักเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริม่มมี إ ม م ا ن กลับเข้ามาที่ตัวของเราเราจะขอบรอมากเล็วยาวน้อขอบคุณมากที่ให้ฉันรอดพ้นจากฟิตรณะต่างๆขอบคุณมากที่ว่าให้ฉันนั่นรอดพ้นไม่ได้แต่งงานกับคนคนนั้นขอบคุณมากที่อาจจะไม่ไม่ให้ฉันได้มีลูกหลานไม่ให้ฉันได้มีทรัพย์สินไม่ให้ฉัน อย่างนั้นไม่ได้ใช้อย่างนี้หรือว่าทําให้ฉันพลาดจากสิ่งนั้นทําให้ฉันพลาดจากสิ่งนีน้หลายครั้งมากครับพี่น้องหลายครั้งที่เราจะพบว่าเรื่องที่เราอยากได้มากๆากสุดๆเนี่ยที่เราพลาดไปเนี่ยพอเรามาคิดทีหลังเราจะขอบคุณอัลลอฮฺว่าอัลฮามบุลีลาขอบคุณอัลลอฮฺที่ให้ฉันพลาดจากสิ่งเหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับหนึ่งในสิ่งที่จะทําให้เรามั่นใจว่าอัลลอฮฺรักเราก็คือเมื่ อ, อไหรก็ตามที่เราปลปก ป้องเราให้รอดพ้นจากฟิตรณะของดุจยานั่นแหละคืออัลลอฮ์รักพี่น้องแล้วอยากทําสิ่งที่ชั่วแล้วทําไม่ได้อัลฮัมดีละอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ให้โอกาสเราหรือว่าเป็นสิ่งที่ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่เรารู้ว่าในกุรอานเนฮดีสผู้อัลลอฮ์และนบีบอกว่ามันเป็นฟิตรณะด้วยถ้าเราไม่ได้มันเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ ยังไม่ได้คู่ของว่า้อสล้ำแต่ว่าถ้าเรามีมันอาจจะเป็นผลเสียกับเราก็ได้ลออาจจะไม่ต่ออเร า, า จ, จะทําร้ายเขาลอจะเป็นคนที่เดียวดมก็ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กับที่เราไม่ได้อัลฮัมดุลิละมองอัลลอฮ์ในด้านบวกแล้วเมื่อ น, นั้นแหละอัลลอฮ์จะรักเราแล้วผ่านไปสองข้อเลยนะพี่น้องผ่านไปสองข้อแล้วสั ญ, ญญาณที่แสดงว่าอัลลอฮ์รักเราผ่านไปสองข้ออะไรบ้างนะครับข้อแรกรักเราแล้วผ่านไปสองข้อเลยนะพี่ ครับขอมังครับเสียงยเรื่องเสียงครับข้อแรกที่เราพูดคุยไปแล้วนะครับก็คือเมื่อพวกเราให้ความอ่อนโยนกับเรากับคนในครอบครัวของเราอันที่สองครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราป้องกันเราให้รอดพ้นจากฟิตรนาของดืนยาอันที่สามครับเมื่อไร่ก็ตามที่พวกเราให้พวกเรามีความสุขที่เป็นมุสลิมเมื่อไหร่ก็ตาม ที่พี่น้องรู้สึกมีความสุขรู้สึกภูมิใจรู้สึกยินดีรู้สึกเปี่ยมปีที่ได้เป็นมุสลิมเวลาที่พี่น้องทำน้ำนมัสการเวลาที่ยินเสียงอาจารพี่น้องจำได้ไหมครับหนึ่งในดวอาที่เราขอคือเราดีตูบินลาฮิรับบันวบิลอิสลามีดีนั้นวบิลมุฮัมมัดสุรุลลอฮฺอัลลอฮฺบรสุลลฺอัลลอฮฺบิษะ ยาวล้อฉันพอใจเหลือเกินที่อัลลอฮ์เป็นนายของฉันเป็นพระเจ้าของฉันฉันพอใจเหลือเกินที่สลามเป็นศาสนาของฉันฉันพอใจเหลือเกินที่มูฮัมหมัดสุลตานอัลฮุสแลมนั้นเป็นศาสดาที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาเพื่อฉันเมื่ อ, อไหรก็ตามที่พี่น้องรู้สึกภูมิใจรู้สึกพอใจรู้สุดรักมากๆในการที่ได้เป็นมุสลิมเมื่อ น, นั้นแหละอัลลอฮ์รักพี่น้องแล้วทําไมล่ะชานอเบมัสลัลวออิสลาลออรรมได้พูดไว้ครับว่า นเรื่องของจากท่านนิมมุตอสุดนะครับด้วยเปริสเซงเฮียของท่านอิมัมบุคอรีท่านุบีมัสลิมได้บอกครับว่าอ um, um, um, um ินนัลลอฮัตตาอัลกัลส์มะเบยนักุมอัคลาคุมก็มากัลส์มะเบยนักุมอารซาคุมเพวาะวาซุบฮะนูวะตตาลานั้นจะจัดสรรบันส่วนมาลายาตตัวตนของคุณให้ระหว่างพวกคุณเหมือนกับที่พวกนั้นจัดสรรปันส่วนริสกีให้กับพวกเราซุพานันลลอ หะดิษบนี้แสดงใม้เห็นว่าตัวตนของเรานั้นมาจากการคัดสรรที่บอสล เ, เลือกให้เช่นเดียวกับริสกี้ของเราบางคนเป็นคนร่ำรวยเป็นบางคนเป็นคนยากจน่ะบางคนเป็นคนที่มีความอดทนบางคนเป็นคนที่ขี่วีนขี่โมโหทั้งหมดท่านเบียมสอสลลัมบอกว่าพ่อรับเป็นผู้จัดสรรให้ประเด็นที่น่าสนใจอยู่หลังจากนี้ ท่านอบีว่าสัตวูกต้อง่าวว่าอินน ma ah uh ัลลอฮฺ تعالى ไม่ใอ้ิ่งใดแก่ผู้ที่ไม่ชอบหรืม่ชอบท่านอับดลเบีพูดว่าไงนะครับผ้อัลลอฮ์จะสั่งให้ใช่ไหมเรื่องของตัวตนเรื่องของอาขละเหมือนกับที่ผู้อัลลอฮ์จะสร่เรื่องของทรัพย์สินว่าจะให้ใครเท่าไหร่ในวักต่อมาท่านอบีบอกว่าแต่ในเรื่องของทรัพย์สินพวกอัลลอฮ์จะให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์รักหรือคนที่อัลลอฮ์ไม่รัก แปล่าเรื่องของทรัพย์สินวัดไม่ได้เลยว่าอัลลอฮ์รักเราหรือไม่รักเราใครรวยอัลฮามดุลิละมันคือบททดสอบของเขาใครจนอัลฮามดุลิละมันคือบททดสอบของเขาคนรวยสามารถทําตัวให้อัลลอฮ์รักได้เหมัอนกับที่สามารถทําตัวให้อัลลอฮ์เกลียดได้คนจนก็สามารถทําตัวให้อัลลอฮ์รักได้แล้วก็อลเเกลียดได้เพราะความรวยความจนอัลลอฮ์ให้โดยที่ไม่สไมสนใจว่าอัลลอฮ์รักหรือไม่รักแต่ท่านอาบีบอกว่าแต่การศรัทธา การศรัทธาที่แท้จริงนั้นอัลลอฮ์จะให้เฉพาะผู้ที่พงรักเท่านั้นซุบฮาน Allah, ลัลลอฮแปลว่าพี่น้องใครก็ตามที่รู้สึกดีรู้สึกภูมิใจรู้สึกรักอิสลามซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกเนื้อขายต่อไปอีกห้าข้อใครก็ตามที่มีครบห้าข้อนี้ขอให้รู้เลยว่าอัลลอ์รักเขาเรียบร้อยแล้ว เราเป็นคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ไม่ได้ทอดทิ้งเราถึงเราจะเจอสิ่งที่หนักแค่ไหนก็ตามนั่นคืออัลลอฮ์รักเราหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเอาจทำได้แล้วสิ่ดีขึ้นเอคําถามมิชาลอดเดี๋ยวผมจะตอบช่วงท้ายๆนะครับถ้าเกิดใครท่าในใดมีคําถามก็ขอช่วยพิมพ์มาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันมิชาลอดครับผมอ่ะไปต่อนะครับขออนุญาตไปต่อจริงๆครับพี่น้องในฮิซบุนเนี่ยท่านอับดุลเบี๊ยห์มลิมได้พูดไว้บอกว่า เรื่องการจัดสรรอัคลักษ์อัคลักษ์เป็นส่วนหลักของอีมานเพราะคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกเราคือคนที่มีอัคลักษ์ดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่อัลละฮ์จะจัดสรรให้เขามีอัคลักษ์ที่ดีเนี่ยเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเท่านั้นแล้วคนที่อัลลอฮ์รักในริสบทนี้คือคนที่เขานั้นมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์คำถามที่ต่อมาตามมาฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าที่ฟังเหมือนจะเข้าใจมีความสุขมีความภูมิใจที่ได้เป็นมุสลิม แต่บางท่านบอกว่าฉันอยากจะได้อะไรที่มันเคลียร์กว่านี้ชัดเจนกว่านี้ผมเตรียมไว้ให้ครับผมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราไปถึงขั้นที่ว่ารักการเป็นมุสลิมมีอยู่ห้าอย่างครับอย่างแรกครับเมื่ อ, อไรก็ตามที่เรารับที่จะเรียนรู้เพื่ออัลลอฮ์นั่นแสดงถึงความที่เรารักในการที่เป็นมุสลิมนั่นแสดงถึงการที่เราเป็นผู้ที่มีความศรัท ธ, ธาและนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์รักเรามันอาราดัลลอฮฺบี Like ออ oney, ใคร ah ใครออยู่ฟักหูบิสฟิดดินท่นอับดุบี๋ยมสลต่านพูดไว้ครับว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์อยากจะให้เขาได้ดีไม่อยู่เรื่องลาบีไขรันเขามากครับไม่อยู่เรื่องลาหูบีไขรันอยู่ฟัูดินใครก็ตามที่อัลลอฮ์อยากจะให้เขาได้ดีจะให้เขาเข้าใจเรื่องของศาสนาพี่น้องที่รักเรื่องของศาสนาสุบาราล้อนแน่นอนครับมันมีทั้งส่วนที่ยากมีทั้งส่วนที่ง่ายเหมือนคนที่จะเรียนรู้อ่านอัลกุรอานมันก็มีทั้งส่วนที่ยากบางทีก็รู้สึกยากเหลือเกิน ข้อแตกต่างมันอยู่ตรงไหนครับคนที่มีอิมานเนี่ยมันไม่เกี่ยงมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาเลยว่ายากหรือว่าง่ายเขามีแต่ความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะเรียนรู้เรื่อยๆอย่างร้อนเรื่องนี้มันยากเหลือเกินเราขอให้ฉันเข้าใจถ้าฉันไม่เข้าใจอยา่างร้อนฉันจะพยายามฉันจะขอทําตัวดีที่สุดคือจะรักที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยเพื่ออัลลอฮ์หมายความว่าคนที่มีอิมานแล้วภูมิใจที่ตัวเองเป็นมุสลิมเขาจะไม่มีวันหยุดที่จะเรียนรู้ นั่นแหละคือคุณลักษณะข้อแรกถ้าอยากรู้ว่าเราเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ให้มีศรัทธาแล้วใช่ไหมเราคือผู้ที่อัลลอฮ์รักแล้วใช่ไหมในเงื่อนไขข้อที่3นี้ประการแรกต้องดูว่าเรารักการเรียนรู้เพื่อพวกอัลลอฮ์ใช่ไหมไม่ใช่เพื่อกลุ่มก้อนของเราไม่ใช่ว่ากลุ่มของเราเกําลังทะเลาะกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไปหาแต่หลักฐานที่จะช่วยหลักฐานของกลุ่มเราอันนั้นไม่ใช่แต่รักก็คือว่าอย่าเอาว่าฉันจะเป็นฝ่ายถูกฉันจะเป็นฝ่ายผิดฉันไม่รู้อย่าเอาว่าฉันอยากรู้ว่าอะไรคือสัตรน ถ้าสิ่งที่ฉันทําผิดฉันพร้อมจะทิงถ้าสิ่งที่ฉันทํามันถูกฉันจะยึดมันไว้แน่นๆโดยยึดฝันกลางนี่คือรักที่จะเรียนรู้จริงๆต่อให้เป็นคนที่เขาเกลียดถ้าพูดถ้ามันคือสัจธรรมมันคือความจริงที่มาจากอลรรถมาจากระสูนเขาพร้อมที่จะฟังเพราะเขาถือว่านั่นมาจากอลรรถนั่นมาจากระสูลต่อให้มาจากปากของคนที่เขาเกลียดแค่ไหนก็ตามนี่คือเงื่อนไขข้อแรกที่แสดงให้เรารู้ว่า เราเป็นผู้ที่รักในการเป็นมุสลิมและอัลลอฮ์ก็รักเรายัง ข, ข้อที่สองครับเมื่อเรารู้จักพระอัลลอฮ์ดีพอเราจะภูมิใจในการเป็นมุสลิมรู้จักพระอัลละฮ์ดีพอพี่น้องที่รักครับผมไม่ได้พูดเว่านะผมไม่ได้พูดว่าแต่อยากให้เราคิดว่าเรารู้จักอัลลอฮ์ดีพอแค่ไหน บางคนบอกว่าฉันฟังเรื่องเตาฮีตมาสิบกว่าปียีิบกว่าปีฉันรู้จักการล้อดีกว่าใครผมอยากจะถามว่าแน่ใจหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคิดง่ายๆถ้าพี่น้องว่าพี่น้องเข้าใจล้อดีใช่ไหมงั้นพระนามทั้งเก้าสิบเก้าของพระนามพี่น้องสามารถอธิบายให้แตกต่างกันได้ไหมให้มันชัดเจนได้ไงอัลฮุมานแปลว่าอะไรอัลฮุฮีนแปลว่าอะไรอัลกุดดูส์แปลว่าอะไรอัลมุไฮมินแปลว่าอะไรอัลมุมินแปลว่าอะไรอัลมุฮีบแปลว่าอะไร พี่น้องว่าจะมีสักกี่คนที่ตอบได้ไม่หรอกหลายครั้งเราจะหลอดเองว่าเรารู้จักกอลอสดีแล้วทั้งที่ว่าสิ่งที่เรารู้มันตื้นเขินเหลือเกินผมที่พูดผมไม่ได้รู้มากไปกว่าพี่น้องผมยอมรับว่าผมรู้จักกอลลอสน้อยเหลือเกินต่อนทีผมเป็นคนที่เปิดคอร์สรู้จักพระเจ้าผ่านนามของพระองค์ผมก็ยอมรับตรงนี้ว่าผมรู้ตัวว่าผมรู้จักกอลลอสน้อยเหลือเกินแล้วก็ตรงตามแยกรางที่อุลบอกว่าวามาก็รุลละหกกััตรีเขานั้นไม่ได้เทอดทูนไม่ได้ให้เกียระเะจป็น ควายินน่งใหญ่ของลอสมากมายยิ่งเราศึกษายิ่งเรารู้จักอลอสมากเท่าไรแล้วยิ่งรู้สึกว่าอลอช่างยิ่งใหญ่มันช่างมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับพระลอสุบาเนหุบต่าละเพราะนั้นข้อ2มันจะกลับไปหาข้อแรกรักที่จะเรียนรู้แล้วอาจจะยังไม่รู้จักพกระลอในทุกพระนามของพระองค์แต่เราก็รักที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอกาสล้วก็อยากจะศึกษาอยากจะเข้าใจพระองค์มากขึ้นเพราะนี่คือคนรักกัน คนรักกันอยากจะเข้าใจกันคนรักกันอยากจะอีกฝ่ายหนึ่งรักเราเช่นเดียวกันเพราะนั้นครับเราพูดถึงเงื่องไขข้อที่สามแล้วพูดถึงกลุ่มที่สามที่อัลลอ์รักว่าเขาคือกลุ่มที่พอใจที่ได้เป็นมุสลิมคนที่พอใจที่ได้เป็นมุสลิมเขาต้องมีห้าอย่างที่เราบอกไว้อันแรกก็คือเขาต้องรักที่จะเรียนรู้เพื่ออัลลอ์อันที่สองเขาจะต้องพยายามรู้จักอัลลอฮ์ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับ ในราอับดุลบีวนั้นศบออินนัลลลฮิทิสอาตุวะิสซีน่อิสมาหม่อาตุนอิลลาวะฮิดันมันอัซฮาเดขลังจันะพระหนมียู่99พนามที่ใครร่วมรู้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์พี่น้องพวกเราจะเอาใครเข้าสวรรค์คนที่พงรักไงถูกไหมครับพวกเราไม่เอาคนที่พงเกลียดเข้าสวรรค์แน่นอนใครที่เอาเราเกลียดไม่มีทางได้แม้แต่กลิ่นของสวรรค์ในริษนีย์อับดบี๋ยบว่าใครได้99พนางได้แบบเข้าใจ แล้วก็ปะพืชตนสอดคล้องกับ99บพรนนามท่านนาบีบอกรับประกันสวรรค์ให้เขาเลยเพราะ น, นั้นนี่คือคนที่เขาภูมิใจที่ได้เป็นมุสลิมเขารู้จักพระเจ้าของเขาต่อไปครับดังท่านบอกว่ามันยากเหลือเกินอาจารย์พี่น้องเราค่อยๆทำนิ้วไขที่สามเขารักคำพูดของอัลว่าซุบฮานหัวตลาลสุดมรใจของเขาอะไรคือคาพูดของ a l อัลกุรอาน ผู้ที่ภูมิใจในการเป็นมุสลิมเขาจะรักคําพูดของ Allah ครับในฮะดิษท่านอับดุลเลาะห์สัลลัมครับได้แต่งตั้งชายคนหนึ่งใ ห, ให้ไปอยู่ในกองสอดเนียมไปทําการสอดเนียมนั่นแหละซึ่งเวลาที่เขานําละหมาดกลุ่มของเขาที่ไปด้วยกันเวลาละหมาดก็ละหมาดไปใช่ไมะชายคนนี้ก็เป็นอิมามทุกครั้งที่เขาละหมาดเนี่ยพี่น้องเขาจะสุรร้อใดก็ตามเขาจะต้องปิดท้ายด้วยกับอัลีคลาส คุณหัวหลอหัว حاد อัลลอฮฺสามารถลมยฤทธวะลัตวลำยคุลลหูฟนะฮัดจงจ่าเถิดอัลลอฮ์มีเพียงอันเดียวหนึ่งเดียวอัลลอ์นั้นเป็นที่พึ่งอัลลอฮ์ไม่ถูกบังเกิดอัลลอฮ์นั้นไม่ได้บังเกิดใครคือไม่ได้คลอดไม่ถูกคลอดแล้วไม่มีใครเสมือเหมือนผู้พระองค์เขาอ่านห้าวรักนี้ที่แสดงถึงความหมายของผูลอสุบฮานหวตาและละหมา ท, ทุกครั้งอ่านอะไรก็ตามเขาจะปิดท้ายด้วยกับส่วนนี้เขาถ้ามีทุกละหมาทครับทุกละหมาดเพราะถึงเวลา คุมนี้กับมาหาท่านนบีมุสลิมของมาริรฤฤสัลัมครับบรรดาซอบารีกลั บ, บมาหา่านบีแล้วมาถามท่นบีเบอร์สุลลอปเนี่ยคนคนนี้เขาทำยางไงเขาทาถูกไหมมันเป็นบิดาไหมท่านนบีไม่เคยทาอ่านฟาติฮ์อ่านสุลักอิคลัสปิดท้ายทุกครั้งเลยเนี่ยเป็นห่วงเรื่องศาสนาเรื่องใหญ่ไงครับเรื่องศาสนาเรื่องใหญ่ต้องให้มันชัดเจนซอบาลีมาถามท่านนบีท่านนบีมุสลิมขอลมาริสัลัมบอกว่าไงครับไปถามเขาซิว่าทำไมเขาทำอย่างนั้น ทำไมเขาอ่านฟาติฮ์เขาอ่านซุรอและทำไมเขาต้องปิดด้วยกับซุรออิคลาสบรรดาซาบะก็ไปถามเขาเพราถามเสร็จเขาตอบว่าไงครับเลอันนฮาศีรฟะอัลรอห์แมนว่านาอูฮิบุอันอักระเบียะยัสรุลลอฮ์ศาสนาทูตครับเพราะซุรออัลอิคลาสือคือคุณลักษณะของอัลรอห์แมนคือคุณลักษณะของผู้ทรงเมตตาคุณลักษณะของอัลลอฮ์ผมรักที่จะอ่านเป็นประจำ เพราะอ่านแล้วเขาคิดไงเขาจะดักบทไงกุลวะลอหุอฮัดอัลลอฮุสซละิดวะลยดวะละกุลละุกุฟวนะฮทุกครั้งที่อ่านเขาค่อคุณแลวเขารักมากเลยคุณลักษณะของอัลลุนักษณะเหล่านี้แล้วเขาก็รักอายะกุรานอายะเหล่ า, ลลาลนี้มากๆากเขาก็เลยอ่านเป็นประจาพี่น้องที่รักท่านอับดุลเลาะห์อิสลามบอกว่าไงครับอัคบิรุห์อันนั่ลอฮะยุฮิบห์ ไปบอกเขาเลยนะว่าอัลลอฮ์น่ะรักเขาเช่นเดียวกันซุบฮาแนลลอฮฺซุบฮะแนลลอฮฺทำไมมันถึงไม่ใช่บิดอารครับเพราะว่าพวกเราบอกว่าในกุรอานว่าเวลาละหมาดเนี่ยฟักกร อ, อูมาตยาสราหมินหูพวกเราไม่ได้บังคับว่าให้อ่านอะไรหรือห้ามอ่านอะไรจากกุรอานคือพวกเราบอกในกุรอานอยากอ่านอะไรก็อ่านไปเลยก็แปลตัวบทเบิดกว้างซาบะท่านาานี้ไม่ได้บอกว่าถ้าละหมาดคุณต้องอ่านนี้ปิดท้ายเขาไม่ได้อุตรีขึ้นมา เพียงแต่ว่าเมื่อตัวบทบอกแหวางแล้วเขาก็รักสุร้ะนี้จริงๆเขาก็เลยอยากอ่านเป็นประจำเหมือนกับอีหม่าบางท่านครับเวลานำละหมาดทุกวันศุกร์เขาอา จ, จะอ่านสุร้อกาฟีทุกวันศุกร์โดยเหตุผลของเขาก็คือว่าเพราะการอ่านกาฟีวันศุกร์เป็นสุนนะแล้วเขาอาจจะกลัวหม่ามุมบางคนไม่ได้อ่านเขาก็เลยอย่างน้อยอยากใกล้ม่มุมได้ฟังสุร้อนกาฟเจตนาแบบนี้ไม่ใช่เจตนาพี่ผิดไม่ใช่บิดาด้วย เป็นสิ่งที่ดีไปแล้วพี่น้องหากเรารักคำพูดของอัลลอ์นันแสดงเห็นว่าเราพอใจอิสลามไงเราพอใจคำพูดของอัลลอ์ไงเราพอใจในสิ่งที่อัลลอ์สอนไงเราอ่านด้ยวยกับความรักเพราะนั้นถ้าใครคิดว่าเขารักอิสลามจริงก็ต้องถามว่าเวลาอ่านอัลกุรอานเนะี่ยเรารู้สึกมีความสุขที่ได้อ่านไหม ร, รู้สึกรักอัลลอ์ไหมเรามีอายะห์ไหนที่เรารักมากมากไหมรักในความหมายไม่ใช่รักเพราะถูกล้างสมอง ว่อย่างบ้านเราครับางทีอากจะแบบรักสโรยาซีนมากอัลกุรานดีหมดสโรยาซีนก็ดีเพียงแต่ว่าที่รักเนี่ยเพราะถูกปลูกฝังว่าต้องรักโดยที่ไม่เข้าใจความหมายนี่ซ้ําคือถึงเวลาอ่านคือรีบอ่านให้จบบางคนสามารถจบยาซีนได้ภายในไม่กี่นาทีเร็วมากการรบซึ่งทนายวีมอนส์อรลส์ลัมบอกว่าคนที่อ่านกุรานเร็วๆเขาไม่มีทางได้ประโยชน์จากกุรานเขาไม่มีทางเข้าใจแปลว่านั้นคือการรักกุรานที่พิษ หรือบางคนักกอ่านก็คือจะพยายามประจับประดาเสียงให้เพาะอย่างเดียวโดยที่อาจจะเผลอมีเจตนาที่ไม่ดีเข้ามาพี่น้องการอ่านกุฎานให้ไพเราะเป็นคําสั่งจากนบีเป็นคําสั่งจากอัลลอฮฺเพียงแต่อย่าลืมว่าเป้าหมายหลักของกุฎานคือการใข้ควรการตะลับบุตรการอ่านอย่างไข้ขวรนั้นย่อมประเสริฐกว่าและแน่นอนผู้ที่สามารถอ่านอัลกุฎานไพเร า, าระด้วย ถูกชตชุมิดด้วยถูกมักคคัศด์ด้วยแล้วก็ไข้ขวนไปด้วยนี่คือคนที่น่าอิจฉาที่สุดนี่คือคนที่น่าอิจฉาที่สุดเพราะท่านอัลกุสุรอสัมบอกว่าห้ามอิจฉานอกจากในสองกรณีเคสแรกคือคนที่ร้อยเขามีทรัพย์สินแล้วเขาก็ใช้จ่ายมันเพื่อ Allah คนประเภทนี้อิจฉาได้ไม่ใช่ริษยานะอิจฉาอยากทําให้ได้เหมือนเขาแต่ประเภทที่สองคนที่ร้อยเขามีความรู้มีความเข้าใจศาสนาแล้วเขาก็ได้ เสียสละทุก อ, อย่างเพื่อร้อยอย่างแท้จริงอ่านการุรานก็ภัยราะเข้าใจแตดับบุตรอลัลฮมดุลิลลาห์ความมุขงามที่อยู่ในความมุขงามนี่คือรักอักรุการานต่อไปครับคนที่รักที่ได้เป็นมุสลิมนอกเหนือจากที่พูดมาสามอย่างนะครับเขารักที่จะเรียนรู้เพื่อร้อยตลอดเวลาเขารักที่จะเรียนรู้จากพื่อระอยตลอดเวลาเขารักคำพูดของพระ อ, องค์ เขารักที่จะได้คิดถึงพระองค์พี่น้องครับสิ่งที่แสดงถึงความรักอย่างแท้จริงคือการคิดถึงพี่น้องเห็นด้วยไหมล่ะความคิดถึงมันมันห้ามกันไม่ได้มันเสแสร้งไม่ได้ด้วยล้วอาจจะหลอกคนอื่นว่าฉันกำลังคิดถึงคนนั้นแต่ใจเรารู้ว่าเราคิดถึงเราไม่คิดถึงใครก็ตามที่คิดถึงเอาล้อเาลอก็คิดถึงเขาฟัสกูรูนี อสกุลกุ่มเาะว่าเก่าๆนี้ก็หลครับจงคิดถึงข่าแล้วข่าก็จะคิดถึงพวกเจ้าใน hadis ซนบีวะสระซำพูดไว้ hadis กุตัสีครับใครก็ตามคิดถึงข่าในใจข่าก็จะคิดถึงเขานี่ใจใครก็ตามที่คิดถึงข่าออกมาดังๆให้คนกลุ่มชนได้ยินข่าก็จะคิดถึงเขาออกมาดังๆให้กลุ่มชนที่ดีกว่ากลุ่มชนของเขาได้ยินเช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่ได้เป็นมุสลิมคือการที่เราคิดถึงนายของเรา คือการที่เราคิดถึงพระเจ้าของเราคําว่ายิกรุนผมไม่อยากแปลว่าล้ำลึกเพราะแปลว่าร้ำลึกมันเข้าใจยากแล้วหลายคนไม่เข้าใจว่ายิกรุนคืออะไรบางคนกัสุบาลัลลอฮฺสุมาลลอห์ทำเลยนะเข้าใจว่ายิ่กรุนมันคือความคิดถึงมันคือการที่บอกว่ายอห์นมหาบริสุทธิ์เดอะพ่อร้อนเป็นผู้ที่บริสุทธิ์พ่อร้อนมันมีไม่มีลูกพ่อร้อนนั้นไม่มีคู่เคียงพ่อร้อนไม่มีภารกิจพฤติกรรมของ ทุกอางของอัลลอ์นั้นเป็นพฤติกรรมที่งดงามพออัลล์มีแต่ความยุติธรรมอัลลอ์มีแต่ความเมตตานี่คือคำว่าสุภาขออัลลอฮ์สุภาของัลลอฮ์สุภาขอัลลอฮ์แล้วเมื่อพูดอัลฮัมดีแล้วเราคิดถึงอัลลอ์ว่าไงครับขอบคุณอัลลอ์เหลือเกินกับความบิญามที่อัลลอฮ์ให้มาที่ฉันนับไม่ได้เลยหากจะจะนับความโปรดปรานที่ร้อยกับเจ้าจะนับไม่ได้และตุฟซุ่หอัลฮัมดีแล้ขอบคุณหลอเินอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันนั้น ได้เป็นมุสลิมอัลฮัมดีลาขอบุญอัลลอฮ์ที่สอนให้ฉันเรียรู้วิธีรำลึกถึงพระองค์อัลฮัมดีลาขอบุญอัลลอฮ์ที่ให้ฉันมีความอดทนนี่คือความคิดถึงที่แสดงถึงความรักเพราะนั้นผู้ที่คิดถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ย่อมคิดถึงเขาผู้ที่รักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ย่อมรับเขาเพราะนั้นผู้ศรัทธาอ ย, อย่างแท้จริงคือผู้ที่หัวใจของเขานั้นคิดถึงพระองค์ลลอฮ์สุบฮานะุบตะอาลาอันที่ห้าครับ สิ่งที่แสดงให้เรารู้ว่าเรารักการเป็นมิสลิมซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้อัลลอฮ์รักเราแน่นอนรับประกันเลยว่าอัลลอฮ์รักเราแน่นอนคือการที่เรารักจะได้ทําตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้อัลลอฮ์รักเราแน่นอนพี่น้องครับใครก็ตามที่เรารอคอยหรือเคยเมื่อฉันอยากจะทําฟัดดูฉันอยากจะละหมาดเมื่อไห่จะเข้าเวลาละหมาดเข้าเวลาปุ๊บฉันอยากจะรีบลกลมาฉันรักอัลลอฮ์ใครก็ตาม ที่หัวใจผูกพันกับสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้คนคนนั้นอัลลอฮ์รักเขาแน่นอนเพราะอะไรครับท่านบีอัลสุลัมได้พูดไว้ครับท่านบีอัลสุลัมได้พูดเป็นฮะดีสพูดดีอีกแล้วครับก็คือเป็นคำพูดของพู้อัลลอฮ์สุบฮานุวตาตาลาที่ไม่ได้อยู่ในอัลกุรอานผร้อ์พูดว่าไงครับมันอาจจะีวไลีย็นสกัดอาดันตูู้บิลฮักใครก็ตามทาร้ายคนที่ฉันรักเนี่ย ถือว่าเขาประกาศสงครามกับฉันแล้วโฟเราเริ่มขึ้นหัวข้อมาอย่างนี้เลยใครก็ตามนะทําอันตรายคนที่ฉันรักทําร้ายคนที่ฉันรักนะเขาประกาศสงครามกับฉันเรียบร้อยแล้วฉันจะทําสงครามกับเขาพวกเราพูดถึงคนที่พโงแล้วนะพโฟเราพูดต่อว่าไงครับว่ามาตกรรบะอิเลยะอับดีบิเชอินอาฮับบะอิเลยะมิมัฟต์รอตูอะลลอฮีไม่มีอะไรอีกแล้วที่บ่าวพยายามทำ เพื่อที่จะใกล้ชิดกับฉันที่ฉันจะรักมากไปกว่าสิ่งที่ฉันกําหนดให้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเขาแปลว่าตอนนี้เราอยากให้อล ร, รักใช่ไหมเราพยายามทำตัวให้อล ร, รักใช่ไหมเพราะเราบอกว่าสิ่งที่เราทําแล้วอล ร, รักมากที่สุดคือสิ่งที่อลบอกว่าต้องทำการละหมาดนี่แล้วไม่ใช่แค่ ฟรดูไม่ใช่แคว่วายบในริสครับพระองค์ก็ตอมาครับว่าว่ลายซาลูอับดียาตะการบุอิเลยะบินนวาฟิลฮะตะอุฮิบูแล้วบ่าวคนนึงเนี่ยเขาจะเพียรพยายามในการทําสิ่งที่มันเป็นมันดูสิ่งที่พวกองค์บอกว่าทําเป็นสิ่งที่ทําให้อลลอร์รักแต่ถ้าไม่ทำออลลอร์ไม่เอาผิดที่บ้านเราเรี้ยวเป็นซุนนะเนี่ยแหละครับผมและกูซูลจะเลี้ยวเป็นมันดู สิ่งที่ควรจะกระทำแต่ไม่ทำไม่เป็นไรเช่นละหมาดซุนนะต่างๆนริศบอกว่าบ่าวคนนึงเขาจะทุ่มทำซุนนะต่างๆจนชันรักเขาจนได้แจวล้อไปจนได้แจวล้อไปทำสิ่งที่เอาล้อบอกว่าเป็นวาญิบแล้วแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นซุนนะมีความสุขกับการทำสิ่งที่เป็นซุนนะมีความสุขกับการได้ละหมาดซุนนะ มีความสุขกับการได้ยิ้มให้กับผู้อื่นมีความสุขกับการทำอะไรก็ตามที่เรามั่นใจว่าสิ่งนี้จะทำให้อาร้อนรักเราเพราะเราบอกว่าบาวคนไหนก็ตามที่ว่าทำการงานใดที่เป็นสุนนะเป็นประจําแน่นอนฟัดดูเขาต้องไม่ทิ้งนะฟะดูต้องไม่ทิ้งบาวคนไหนที่ทำสุนนะเป็นประจําเขาได้ใจอารอไปแล้วเหมือนกับท่านบิรันครับพี่น้อง เหมือนกับที่ท่านนบีมุสลิมสุลลัลฮุอิสลบอกว่าการงานที่ดีที่สุดนะที่ทอัลลอฮ์คือการงานที่ทาอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเพราะความต่อเนื่องมันทาให้ได้ใจอัลลอฮ์มันทาให้อัลล์รักเขามันทาให้พอ่ออัลล์ซุบฮานูตานั้นรักเขาครั้งหนึ่งที่ว่าท่านนบีมุสลมุลลัลฮุอสิสลาฮตื่นมาแล้วก็ถามท่านบีลานว่ายาบีลานทำไมเมื่อคืนฉันฝันฉันได้ยินเสียงเดินของคุณทาไมได้ยินเสียงก้าวเดินของคุณเสียงรองเท้าของคุณในสวร เพืีร้านบาอกวาเราสุลลัผมก็ไม่รู้ว่าผมทําอะไรแตกต่างจากซาบะทะลินที่ผมคิดออกคือทุกครั้งผมจะรักษาตนให้มีน้ําละหมาด ต, ตลอดเวลาน้ําละหมาดเสียปุ๊บผมจะทําน้ำละหมาดแล้วไปละหมาดสุ น, นัตสองรากานี่คือรักกันร้องไงไม่รักกันทําไม่ได้หรอกถ้าไม่รักกันร้องไม่มีทางที่จะทําได้เพราะฉะนั้นอลัลลอฮ์ก็เรารักเขาเพรดัะนั้นพี่น้องใครก็ตามที่ว่าฟัดดูไม่ทิ้งแล้วก็รักการทําฟัดดูมากๆอลัลลอฮ์ก็รักเขา แล้วเช่นเดียวกันใครที่ว่าไม่ละทิ้งการทําฟัตดูเลยบางทีมันอาจจะฝืนบางทีมันอาจจะทรมานแต่เขาก็มีความสุขที่ว่าได้ทําสุนทรรักษามันไปเรื่อยๆโดยที่ฟัดดูเขาก็ไม่ทิ้งเลยนี่ก็เป็นสัญญาณว่าอัลลอฮ์รักเขาเช่นเดียวกันถ้าอัลลอฮ์รักแล้วจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันในครั้งต่อๆไปครับอิชอาลลอฮ์ครับผมครับพี่น้องที่รักครับก็ในวันนี้เราก็น่าจะพูดคุยได้ ส, สามกลุ่มที่อัลลอฮ์รักเรามีทั้งหมดเก้ากลุ่มินชาวร้อนครับในครั้งต่อไปเราก็จะพูดอีกอหกกลุ่มที่เหลือให้ครบเก้าลุ่มบางท่านงเดี๋จะบอกว่าทําไมไม่สรุปทีเดียวก็คือมีประเด็นอย่างพี่น้องได้ยินเนี่ยะครับผมก็คือมีเรื่องที่ผมไม่อยากจะแ k มเลยเพราะามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่ว่าอยากให้พวกเราได้รับรู้ไปด้วยกันเรามาสรุปพร้อมๆกันนะครับว่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าสามสั ญ, ญญาณที่แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์รักเราเนี่ยมีอะไรบ้าง สัญญาแรกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เรานั้นมีความอ่อนโยนโดยเฉพาะมีความอ่อนโยนกับครอบครัวของเรานั่นแปลว่าอัลลอฮ์รักเราอันที่สองเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เรารู้สึกว่าเราพลาดในเรื่องของฟิกตนาดุนยาพลาดอะไรก็ตามอยากทํามากๆแล้วพลาดไปแสดงว่าอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์เลยป้องกันเราไม่ให้ไปทําสิ่งเหล่านั้น แล้วการป้องกันนั้นแสดงถึงความรักที่เราล็อป้องกันเหมือนกับที่เราป้องกันคนป่วยไม่ให้ไปกินอาหารที่มันเป็นโทษกับเขาแล้วกลุ่มที่สามที่เราพูดคุยกันแล้วคือกลุ่มคนที่เขานั้นมีความสุขที่ได้เป็นมุสลิมซึ่ง คนที่มีความสุขที่ได้เป็นมุสลิมก็พูดแล้วว่าอย่างน้อยก็จะมีอยู่5คนในลักษณะนี่แหละรักที่จะได้เรียนรู้รักที่จะได้รู้จักอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นรักที่จะได้คิดถึงอัลลอฮ์รักที่จะได้ทำในเรื่องของไวยิบแล้วก็รักในเรื่องที่ว่าจะทำสิ่งที่เป็นซุนนะต่างๆที่พู้อัลลอฮ์บอกไว้แล้วก็เช่นเดียวกันก็คือรักคำพูดของผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตัลละก็ขออวยจากพู้อัลลอฮ์ซุบฮานตะลาครับให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่อัลลอนนนนีีี้้มมมาาาขขออออดูคคถงงพพ่่่ะรับทวเิพ์คคถามมไว้นะรับ บารักลาฟีกลุ่มครับมีพี่น้องทักมาเรื่องของเวลาละหมาดประหมินพอดีครับผมครับท่านใดที่อยู่ในบริเยณที่ว่าละหมาดที่มสัสยิดได้ดินเสียงระทานก็วายิบต้องไปละหมาดนะครับต่อให้เป็นฟังบรรยาเนี่ยมันมาฟังที่หลังได้นะครับผมก็เดี๋ยลืมละหมาดมาก่อนสําคัญที่สุดขอบคุณมากพี่น้องที่ทักมาเรื่องการละหมาดครับผมคุณสตีย า, า ส, สลามานี่ตอบไปแล้วนะครับคุณอาสายยางอาเมนมาทำดีแล้วแล้วก็ คุณลุงอรุณครับสลาห์มจ้ะสลาห์มดีแล้วอาเมนครับผมข่าวาาวันจึงสลาห์มตัลลอฮฺกบาริกะตุนะครับผมต่อไปครบคุณเซอร์กี้บอกก็ทํำดีแล้วก็ทํำดีแล้วครับผมคุณสุดารัตบอกว่าหายากมากค่ะอยากได้ครอบครัวแบบนั้นี่จังเหนือย ก, กับพ่อบ้านพี่น้องอยากได้ไม่ต้องไปหาอะไรเอาที่เรามีนั่นแหละเราทําตัวเราให้ดีที่สุดแล้วก็ขอเวลาจากอัลลอฮฺเป็นประจำใครทําไม่ทําใครได้ไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้แน่นอนผมเห็นด้วยกับคุณสุดารัตครับว่าครอบครัวแบบนี้หายากมาก จริงๆแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เราไม่ต้องไปหาเราทําของเราเนี่ยแหละคือใครจะเป็นเขาก็เป็นของเขาไงใครจะดีเข้าดีของเขาใครจะเร็วเข้าเร็วของเขาเรารู้สึกว่าอยากได้ครอบครัวแบบนี้เราก็ทํามันแค่นั้นแหละครับพยายามทํามันครับคุณหมอเจมีนะครับสลามาก็ไวคุณมิสลามตัลต์รักบูรรักกาทุคุณสุวัชัยบอกว่ามันีชัดเจนนะทำได้แล้วคุณบูรชาติก็สลามาก็ไวคุณมิสลามครับคุณเบด้าบอกว่าเราปะเมินหกสิ รับชนชัดเจนบารักัลลอฮ์ครับผมคุณดำรงยกนิ้วไม้กับบารักอัลลอฮ์ขอบคุณมากมครับหัวใจที่ตักวาบอกว่าทำไดลคุณซดาก็ทำไดลคุณลสมีส่งหัวใจมาขอบคุณมากครับคุณอนันต์เอียดลงก็สลมาขอคสลมุตลอุบรักาตัแลก็พี่น้องที่ส่งหัวใจมาขอบคุณมากมากครับผมว่าที่้อยตัวร้อตีัทครับจะเป็นร้อยตัวอีหญิงบริสลาครับประดูอให้ได้บารักาลิสกี้ที่ดีนะที่การงานนะครับผมสละมาวันุสละมุตล้าอุู ขอบคุณอีกครั้งครับที่ทักในเรื่องเวลาละหมาดเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับผมหัวใจที่ตกลงก็บอกอินชาอัลลอฮ์นะครับผมอทีนี้ครับมาคําถามของพี่ซันมานะครับในกรณีที่เราถูกบททดสอบที่เราไม่ได้รอดผลจากฟิตนาละ่ะเป็นคําถามที่ดีมากครับหลายครั้งฟิตนาเราไม่รอดแต่พี่น้องที่รักรู้ไหมครับตราบใดที่เราเจอฟิตนาแล้วเราไม่รอดแต่พี่น้องยังมีชีวิตอยู่ แล้วพี่น้องยังคิดได้นั่นแหละครับแปลว่าอัลลอฮ์รักพี่น้องแล้วยังให้โอกาสเราอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอฟิตนะแล้วเราตายไปกับฟิตรนะในสภาพของคนที่สอบตกอันนั้นแหละแปลว่าล็อเกียดเราเนอะอุซบิลาบลาฮิมดาเพราะนั้นจากคำถามของคุณท่านมารครับผมเข้าใจว่าฟิตรนะนั้นๆอาจจะโดนไปแล้วอาจจะพลาดไปแล้วประตูตบายังไม่ปิด เราขอเตาบาได้ขอไปถ้วต่อเราได้แล้วนั้นยิ่งแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์รักเรายังให้โอกาสเราเข้าใจยังให้โอกาสเรามาเรียนรู้อยู่คุณย้างานนะครับสาลา ม, มาก็ไว้คุณศาลาบารมีอลลอฮ์ บ, บูบาการ์ตันะครับผมก็ผมน่าจะทักทายพี่น้องทุกท่านครบแล้วนะครับผมครับพี่น้องที่รักยิ่งครับขอตจากพองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาลาแลราขอต่อพระองค์ด้วยกับการที่ว่าเรานั้นยืนยันอย่างหนักแน่นมั่นคงว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วที่สมควรจะรับการครบรส ก, ก, กักน้นนเป็ที่่พึง พงษ์นั้นไม่ได้ให้ขอดขอดใขรออกมาแล้วก็ไม่ได้ถูกขอดออกมาไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพงษ์แล้วพงษ์นั้นก็เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงขอรูบจากอาลัลลอฮ์ครับยาลอโปรดให้พวกเราอยู่ในกลุ่มชนที่พงษ์รักเขาด้วยเถิดยาลอพวกเรานั้นเป็นกลุ่มชนที่ว่ามีความผิดพลาด ท, ที่มากมายแต่พออัลลอฮ์ก็ได้ให้คํามั่นสัญญากับเราว่าไม่ว่าเราจะมีความผิดบาปมากขนาดไหนก็ตามถ้าเรากับเนื้อกับตัวสู่พงค์พงษ์ก็พร้อมที่จะให้อภัยเราให้มากท่วมท้น ควผิดบาปทั้งหมดที่เรามีมายาวล้อในปัจจุบันณเวลานี้ขอให้เราเห็นสิ่งที่ผิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดให้เราออกห่างจากมันได้ตลอดไปแล้วก็ขอให้เราเห็นสิ่งที่ถูกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆแล้วกให้เรามีความสามารถที่จะทำมันยาวล้อขอร้อจากพวกนั้นให้เรารักในการที่จะเป็นบ่าวที่รักของลูกท่องขอให้เรานั้นรักการงานใดก็ตามที่จะทําให้เรานั้นเป็นที่รักของพว์แล้วขอให้เรารักใครก็ตามที่ภพมิ รักเขาขออัลลอจากพวกเราพวกเรานั้นให้อภัยต่อบุคคลดีงามที่เขาผ่านไปก่อนหน้าเราคนที่เขาอยู่บนหนทางที่ยากลําบากนี้มาก่อนขออัลลอฮ์เมตตาให้กับเขาขออัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเขาและขออัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเราแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นได้อยู่กับพวกเขากลุ่มคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจยาวล้โปวดจะได้ปล่อยพวกเราคนคนใดไปคนหนึ่งคนใดก็ตามในหมู่ของพวกเราถ้าเขาเป็นคนที่ป่วยไข้ยาวล้โปวดให้กําลังใจแก่เขายาวล้โปวดให้ความเข้มแข็งแก่เขาและยาวล้อปวดรักษาเขา เดี๋ยวแล้ผู้ใดก็ตามในหมู่ของเราที่ว่าเขามีความสุขเศร้าเขามีความท้อแท้เขาถูกทดสอบอย่างหนักยาวละปวดให้ความช่วยเหลือเขาปวดให้เขารอดพ้นบุทดสอบนั้นๆไปได้เพราะว่าเป็นผู้ที่รับรองว่าในหนึ่งความยากลำบากนั้นจะมีความง่ายใดมหาศ า, าลเดี๋ยวแล้วผู้ใดก็ตามในหมู่ของพวกเราที่ว่ามีนี่สัญยาละปวด ปลเปื้องนี่สินออกไปจากเราด้วยเพราะการเป็นนี่สินนั้นเป็นความทุกข์ทรมานอย่างหนึ่งเป็นบททดสอบที่หนักหนาสาหสอย่างหนึง่งอย่างแล้วใครก็ตามในหมู่ของพวกเราที่ว่าเขามีปัญหาในเรื่องของครอบครัวอย่างแล้วโปรดให้ปัญหาเหล่านั้นผ่านพ้นไปขอยฟิตนะทุกอย่างที่พวกเราเจอนั้นผ่านพวกเราไปในสภาพ ที่เรานเนี่ยเป็นบ่าวที่รับพงอวะและพระพงรักเขาด้วยเถิดอย่ารับปวดให้เรามีชีวิตอยู่ในสภาพของมุสลิมผู้ที่รับทางนําจากพรงแล้วขอให้เราเสียชีวิตในสภาพของบ่าวที่พรงรักแล้วก็พรงพอใจเขาด้วยอย่ารับปวดให้ความช่วยเหลือแกม่มุสลิมแม้ว่าจะเป็นมุสลิมที่ใดก็ตามในประเทศไทยในพมา่าในอิรักในอิห ร, ร่านในซาอุดีอาระเบียในประเทศใดก็ตามอย่ารับปวดให้ความช่วยเหลือเขาปวดให้ความหนักแน่นเขา โปรดให้ความมั่นคงแก่เขาแล้วโปรดจากการแก่ศัตรูที่ว่ารังเกียจเกลียดชังอิสลามที่พยายามจะทำลายอิสลามซึ่งทุกครั้งที่ว่าเขาพยายามจะสร้างไฟแห่งการทำสงครามพวกนั้นเป็นผู้ที่ว่าจะช่วยดับมันอย่าล้อโปรดให้เรานั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่ว่ากุรอานนั้นเป็น เจตาดวงใจของเราขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ว่ารักการเรียนรู้เพื่อพระงค์ขอให้เราเป็นกลุ่มคนที่ว่าอยากรู้จักพงศ์มากขึ้นไปเรื่อยๆขอให้เราเป็นกลุ่มคนที่ว่ารักคําพูดของพงศ์รักทุกอย่างที่มาจากพระวรสารสุภานุตตะลาที่ว่าเป็นสิ่งดีงามที่ว่าเป็นความโปรดปรานที่ว่าเป็นการให้อภัยที่ว่าเป็นราะมะเป็นเนะมะเป็นอะไรก็ตามที่ว่าเป็นสิ่งที่งงามยาวละขอใ ห, ให้เรานั้นรักในสิ่งนั้นด้วยแล้วก็อยา่าละโปรดอย่าไ ด, ได้ทดสอบเราด้วยกับบททดสอบที่มันหนักหนาสาหัส เหมือนกับที่วงทดสอบคนก่อนก็ได้พวกเราแล้วยาวล้โปรดอย่าได้ทดสอบพวกเราในสิ่งที่มันเกินเอื้อมเกินความสามารถของเราเลยถ้าวงล้อทดสอบอะไรเราขอให้พวกนั้นช่วยให้เราผ่านพ้นจากมันไปได้ด้วยดีด้วยเถิดยาววะขอให้พวกเราดีขึ้นไปเรื่อยๆขอให้ครอบครัวของเรานั้นดีขึ้นไปเรื่อยๆขอให้ความหมางใจในหมู่พวกเรานั้นเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อะไรก็ตามที่เราเรื่อเกินใครก็ตามยาวละ เรารู้สึกผิดเราขอกับนึกกับตัวสุโภงขอพระองค์ช่วยชดเชยในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ถูกเราอาธรรมไปด้วยแล้วก็ขอปวดเมตตาแล้วก็อาภัยโทษในสิ่งที่เราผิดพลาดที่เถิดอามีนครับอากูลูกาลีฮาดาวาซัลลอฮาลีวลักุมวาลิซาลีมุสลิมีนามินโุลิดะมวาสักฟิรูอินนวกฟูรรมซุบฮนัลลอฮาฮัมดิกะอัชฮดลลาอิลาฮิลลัตต أستقبلك وتوالي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وللمؤمنين ا ول ي م ن ن أ ي ن ش ك ا ل ี่รับฟังนะครสวัสดีแลัยกุมวารั ل ทุกข์และอัลลอฮฺขอบคครับ